บอคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่พูดถึงแต่ลูกไงบ้างนะอ่าก็บอกว่าเอ้าคิดถึงเขบอกว่าอยก่อนตายคิดถึงอะไรบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าบอกพูดถึงแต่หลานเนี่ยจะไปคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ยังไงฮะอะไรพูดถึงแต่สีเสียงเปลี่นรถทั่วไปไม่ได้คิดถึงพระธรรมต้องบอกว่าจะก่อนตายจะขอคิดถึงพระธรรมขอให้มันจริงเธอออกมาไม่ว่าหรอกปัญหามันกลัวแต่ไม่จริงอะนะถ้าจริงยังไงก็สุขคติโลกสวรรค์ธรรไม่จริงนี่สิเดือดร้อนแน่เนี่ยนะใครจะไปตามช่วยใคร อย่างเก่งเขก็หยาดน้ําสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมารับเอาหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยนะถ้ามีบุญก็มารับเอาไปถ้าไม่มีบุญก็โตภัยก็โตภัยแล้วคันนี้ยุ่งละอันนะสงสารตัวเองหน่อยเถื่อแบบนั้นนะจริงก็ที่จริงเขามานี่ขี้ขลาดนะทักษะเรียนธรรมะทุกวันก็กลัวเนี่ยนะกลัวทุกอันนี้นบอกโอ้ยที่ผ่านมากระทุกหนักห น, กหนาสาหัสอยู่แล้วบอกพอแล้วมบมตุก็เอ้ยเนี่ยนะเข็ดอยู่เหมือนกันกลัวแล้วใครจะไปก็ไปเติ้เนี่ยนะ อาจจะไปกับไปเตอร์เหมือนกันไม่ไปโตยหรอกในข้อ486เนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และเครือขาบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติคือมีปกติประพฤติ ธ, ธรรมมีปกติประพฤติเรียบร้อยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะเขาปรารถนาว่า อะ น, นะสุจริตกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้สมความปรารถนาเนี่ยนะอบายเนี่ยนรกเนี่ยไม่มีใครเลือกเอาใช่ไหมฉันขอตกอเวจีจากนั้นเนะอ่อทอตกสันตาปะมหาตาปะเดี๋ยนะโรรุวะมหาโรรุวะอเวจีมหาเวจีไม่มีใครเลือกไหมเลือกเป็นเดรชาญเปรสุรกายเปรตใน12บสอจำพวกเลือกอันไหนสัตว์เดรชาญเลือกเอาเป็นสัตว์บกสัตว์น้ํา ไม่มีใครเลือกเนี่ยนะชอบดูปลาแต่ไม่ชอบเป็นปลาชอบเลี้ยงหมาแต่ไม่ได้ชอบเป็นหมาเป็นต้นเนี่ยนะซาททั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ชอบเป็นอย่างนั้นแต่คิดถึงแบบนั้นบ่อยๆจะไปไหนเนี่ยนะนี้ถามว่าเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยนะทำอากุศลเนี่ยคนไม่ชอบเลือกที่จะเอาผลแต่กุศลเนี่ยเลือกเอาผลได้เพราะกุศลธรรมที่ประพฤติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นเหตุให้สมความประสงค์ เป็นเหตุให้สงความประสงค์ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าจากตายเพราะกายแตกขอให้เราเป็นพวกเดียวกันกับกษัตริย์มหาสาลก็แปลว่าขอให้เกิดกเป็นมีพ่อมีแม่เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเราเองเป็นผู้รับมรดกสืบต่อจากท่านอ่างนั้นนะข้อที่เขาเนี่ยนะหลังจากตายเพราะกายแตกจะได้เป็นอันเดียวกันกันกบเหล่ากษัตริย์มหาศารย่อมเป็นไปได้โดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยปกติประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติเพราะความประพฤติเป็นธรรมเนี่ยปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ก็สําเร็จสมความปรารถนาพรามและขุหบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติไม่ละเมิดธรรมทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งตนเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลนี้พึงหวังว่าโอ้หนอเราเนี่ยหลังจากตายเพราะกายแตก เพ่งเป็นอันเดียวกันกับเหล่าพราหมณ์มหาสาลเครหัดีมหาสาลพราหมณ์มหาสารก็คือพวกที่ เ, เรียนอย่างสูงมีความรู้มากอนนัเฉลียวฉลาดแล้วก็รวยด้วยเนี่ยนะเก่งมากรวยมากฉลาดมากเป็นต้นเนะี่ยหรือว่าเป็นเศรษฐีพ่อค้าที่ร่ํารวยมหาสาลเนี่ยนะช่องทางการทําธุรกิจไม่มีจบมีสิ้นยิ่งแต่ขยายเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะขอให้สําเร็จสมความปรารถนาอย่างนั้นตั้งความหวังอย่างนี้ก็สมความ ปรารถนาะเพราะประพฤติสุดจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยเพราะประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะนะแต่ไม่ได้บอกต่อไปว่าเออเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วไปทำอะไรต่อคุณก็ถ้าอยากให้สมบัติคุณยั่งยืนคุณก็มาทำความดีต่อสิแต่คุณทำทวามชั่วก็แหมก็บุญกับูญบาปมันก็บาปนะก็ลายอย่างการเน่ยนะ พรามและครืหา บ, บดีทั้งหลายถ้าผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมโดยปกติประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติหวังว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกขอให้เราเนี่ยเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกันกบเทวดาชั้นจาตุมปรารถนาเป็นพวกของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็สําเร็จไปเกิดปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาร่วมกับเทวดาชั้นยามาชั้นดาวดึง ชั้นดุสิตนิมมา narade นาิมมิต m i t t a v a s w a ก็ประสบความสําเร็จเพราะกุศลธรรมเนี่ยนะเป็นตัวจําแนกเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าประพฤติกุศลธรรมเป็นปกติเนี่ยนะในสวรรค์หกชั้นเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะอยู่ชั้นไหนแต่จะอยู่นานหรือไม่อยู่ดีหรือไม่ก็บุญอื่นๆประกอบอีกนะว่าทานดีไหมกุศลธรรมอย่างอื่นดีไหมสมถะอย่างอื่นประกอบดีไหมวิปัสสนาอย่างอื่นดีไหมเป็นต้นก็ต้องดูคุณธรรมอย่างอื่นแวดล้อมด้วย นี้ถ้าหากว่าปรารถนาจะเกิดเป็นพรหมโลกก็อาศัยสุดจริตธรรมทางกายวาจาและใจเหล่านี้แหละมารักษากุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะมาสมาทานในกุศลกรรมบท10ประการการสมาทานกุศลกรรมบท10ประการปรารถนาว่าขอเราไปเกิดเป็นพรหมปาริสัตชาพรหมปโรหิตามมหาพรห ม, มาก็สําเร็จสมความปรารถนาเพราะอะไรเพราะรักษากุศลกรรมบท10ประการ เป็นบาดรองรับแล้วก็เจริญสมถะทั้งหลายเจริญพรหมิหาระนะเจริญกสินสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะให้ให้เกิดในปฐมฌานสําเร็จสมความปรารถนาพราหมณ์และเครือขาบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติ ท, ทำเป็นปกติประพฤติสม่ําเสมอเป็นปกติเพ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพึงเป็นเหล่าเ ท, ทวดาพวกเดียวกันกันกบเทพชั้นอาภา คือปริตตาภาอปมานาภาอภัสราเนี่ยน ะ, อะขอขอให้สมความปรารถนาถ้าอาศัยกุศลกรรมบททั้งสิบประการเป็นบาทฐานเจริญอัพพยาบาทคือเมตตาเนี่ยได้สำเร็จทุติยชาญอย่าง อ, อย่างปกติอย่างกลางแล้วก็อย่างประนีตก็จะทำให้สำเร็จสมความปรารถนาในพรหมโลกชั้นนั้นๆเหล่านั้นได้พรามและเครือหาบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติรมเป็น ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติปรารถนาโอ้ว่าโอ้โอหนาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ขอให้เราเป็นเทพชั้นปริตตสุภาอัปมาณสุภาแล้วก็สุภกินหาอันนี้ก็เป็นพรหมของพรหมพรหมโลกชั้นตติยะชาญหรือปรารถนาเป็นอวิหาพรหมโลกชั้นจตุทชาญหรือปรารถนาพรหมโลกระดับสุดท่าวาดคืออวิหาอัตปาสุทสาสุทธศีอาการิถา หรือปรารถนาอารูปประพบเนี่ยนะถ้าประพฤติสุจริต ธ, ธรรมแล้วเจริญอรูปฌานปรารถนาจะเกิดในสวรรค์ชั้นอากาสานัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะอากินจัญญยายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็สำเร็จสมความปรารถนาถามว่าเพราะอะไรเพราะเขามีปกติประพฤติเป็นธรรมเพราะมีปกติประพฤติสม่ำเสมอประพฤติสุจริต ธ, ธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ไปสู่ สุขเตโลกสวรรค์อย่างที่กล่าวไปพราหมณ์และครืหาบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติทำเป็นปกตินี่มีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติสม่ำเสมอเขาปรารถนาว่าขอกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเหล่านี้เป็นบาตแห่งการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สจริตสาเหล่านี้เป็นบาทแห่งการเจริญสติประธานสัมมประธานอิทธิบาทอินรีพล ะ, ะโพชงและองค์มักเนี่ยนะทำบริบูรณ์ทำโสดาปฏิมักให้บริบูรณ์ทำสกะทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตมักให้บริบูรณ์เมื่ อ, อรหัตมักบริบูรณ์แล้วก็ทําให้แจ้งเจโตวิมุตตัญญาวิมุตต์อันหาอาศะไม่ได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นะสิ้นอาสวะสิ้นกามาสวะด้วยสิ้นกามาสวะด้วยอาณาคามิมรรคสิ้นภวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมรรคสิ้นทิฏฐสวะด้วยโสดาปติมรรคเนื่องจากแทงตลอดอริยสัจทำกิจสิบหกในอริยสัจได้สําเร็จแล้วก็ปรินิพานเพราะว่าสำเร็จเป็นพระอรหรันตผู้ที่ประพฤติเป็นสุจริต ธ, ธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะ ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นทางตรงคือโพธิปัจจะธรรมทางตรงคือ อ, อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเขาก็สามารถที่จะตรัสรู้อรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะปรารถนาเจโตวิมุตต เ, เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอหหาอาสวะมิได้คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลก็สําเร็จสมความปรารถนาโดยแท้เพราะอะไรเพราะเขามีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติสม่ําเสมออย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าทำความชั่วเนี่ยจะมาร้องเรียกเอาอะไรใช่ไหมถ้าทำความชั่วทางกายร้องเรียกเอาสวรรค์นิพพานมาจากไหนพูดชั่วทางวาจาจะร้องเรียกหาสวรรค์นิพพานมาจากไหนใช่ไหมถ้าคิดชั่วด yep. ้วยใจล่ะยิ่งไม่ใช่ฐานะตรงกันข้ามถ้าทำความดีด้วยกายถ้าทำความดีด้วยวาจาหรือพูดดีด้วยวาจาถ้าคิดนึกดีด้วยใจแล <ables S 2> <combining experiences. S 1> ้วก็เป็นบาตรรองรับ ทั้งสมถะและวิปัสนาจะร้องเรียกเ อ, เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติกษัตริย์มหาสารพราหมาหาสารครือบดีมหาสาลสวรรค์สมบัติกามาวจรรูปาวจรหรืออารูปาวจรเนี่ยนะกามาวจรก็ตั้งแต่ดาวาจารุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปารนิมิตาวสวัสดีก็สำเร็จสมความปรารถนาะจะเรียกรูปาวจรเนี่ยนะปริชั้นพรหมกายิกาคือ บริษัทชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาหรือว่าอาภาเนี่ยนะก็คือกลุ่มปริตฐาภาอปมานาภาอภัสราหรือกลุ่มปริฏตาสุภาอปมาณสุภาสุภกินหาหรือเวหั พ, พลาหรือจะปรารถนาแบบรูปประพรมระดับสุดท่าวาทภูมิของผู้บริสุทธ์ คืออวิหาอตตปาสุทสาสุทศีอากาักกนิฐาหรือปรารถนาอรูปประพบคืออากาสานัญญายตนาวิญญาณัญจายตนาอากินจัญญายตนาเนวสัญญาณาสัญญายตนาโดยที่สุดปรารถนาโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนสกธาคามิมักสกธาคามิผลอานาคามิมักอานาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลก็สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเป็นผู้ที่ประพฤติสุดจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจ นะเพราะอย่าลืมว่าทางอันประกอบไปด้วยองค์8จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะมองในรูปแบบก็คือกายวาจาและใจ สัมมาวาจาก็คือวาจาสัมมากัมมันตาก็คือกายสัมมาอาชีวะก็คือกายและวาจ่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คืออานาพิชชาและอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือเจริญกุศลธรรมกุศลกรรมบททั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าในขณะอริยมรรคเนี่ยนะอภยบาศามีกําลังมากอานาพิชชาก็มีกําลังสัมมาทิฏฐิก็มีกําลังสัมมาทิฏฐิอันั้นแหละ เป็นวิมังสาธิปติเป็นธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาภละเป็นวิปั ส, สนาเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยสุดจริญธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละจึงจะเป็นบาต ท, ที่ทําให้สําเร็จสมความปรารถนาะเป็นเหตุให้สําเร็จมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนั้นก็คงเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่กายวาจาและใจของเราแต่ที่สําคัญแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เราทําอย่างไร บอกให้เราพูดอะไรบอกให้เราคิดอะไรเราตั้งใจที่จะเจริญตามเหล่านั้นไหมอย่างที่เราสวดใช่ไหมว่าจักทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามสติตามกําลังไม่ใช่แบบปล่อยปลาละเลยนะไม่ได้พูดบอกขอเจริญแบบปล่อยปละละเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ตามสติเน้นนะสติมันจะสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าขนเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะปฏิบัติตาม คำสอนเขาเรียกว่าตามเรี่ยวแรงตามพลังไม่ใช่ออมแรงแม้ไม่ใช่แบบที่อะไรนะที่เจริญกุศลเนียขยักขย่อนทําเป็นคิดมากเนี่ยนะที่อักุศลแล้วก็ทุ่มเท เ, ทเต็มที่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถจะแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรทุ่มเทแล้วก็อะไรไม่ควรทุ่มเทให้เนี่ยนะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบในพระสูตรนี้แล้วพรามณเครือห บ, บดีชาวบ้านสาละพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าอภิกันเตอภิกันเตภัยเร้อจริงๆพระโคโดมผู้เจริญเนีย่ยนะพระโคดมผู้เจริญภัยเร้อจริงๆธรรมะเนี่ยนะคืออะไรคือกุศลกรรมบดอกุศลอกุศลกรรมบดกุศลกรรมบด ท, ที่เป็นเหตุแห่งมรรคผลนิพพานอย่างที่พระโคโดมได้ประกาศแล้วเนี่ยนะหลายแบบ ประกาศตั้งหลายอย่างเหมือนหงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือเหมือนส่องประทีปในน้ำมันที่มืดด้วยคิดว่าผู้ที่มีตาดีจะมองเห็นรูป น, นะเหมือนส่องไฟให้คนมีต า, านั้นเถอะไม่ใช่ว่าส่องฝ่องไฟให้คนไร้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แสดงธรรมให้คนไม่มีปัญญาฟังแต่แสดงธรรมให้คนมีตาปัญญาเนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะรู้ตามพร้อมที่จะ เห็นตามเพราะฉะนั้นพระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเนี่ยนะสารณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตอุทิศแดดพระรัตนตรยัยแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่จัดแจงประโยชน์กําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ทั้งหลายก็เนื่องด้วยพระรัตนตรัยเนี่ยนะก็ขอถึงพระองค์ พร้อมท้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอให้พระองค์โปรดทรงจําพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดถึงสิ้นชีวิตอย่างนั้นน่ยนะก็ขออนุมโมทนากับชาวบ้านสาระด้วยเนี่ยนะผู้ที่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังประตูแห่งสวรรค์ประตูแห่งพระนิพพานและท่านเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคต